13. โลกวักหมวดว่าด้วยเรื่องโลก 1. ทหารภพิคุวัตุเรื่องพิสุจน์มพระผู้มีพระภาคตรัสพระคถานี้แก่พิสุจน์มรูปหนึ่งดังนี้ 167. บ, บุคคลไม่พึงเสพสิ่งตำซา ม, ามไม่พึงอยู่ด้วยความประมาทไม่พึงยึดถือความเห็นผิดไม่พึงเป็นคนรกโลก